ที่ถ่ายลูกไปเมื่อกี้นี้เป็นโยมลานมันขวัญเมืองอำเภอสามเหลี่ยมไอ้บ้านสามเหลี่ยมอำเภอนาโสมมอบเครื่องอเฟ e บุ o กให้ท่านผู้กำกับอำเภอนายุงเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อตำรวจเวลามีอะไรเกิดขึ้นก็ได้ บันทึกข้อความมีประโยชน์ต่อการใช้งานหลวงพ่อเห็นนะั่นพ่อบอกว่ามีประโยชน์มากเฟ e บุ๊ k ในจุกปัจจุบันเราจะไปถามไถ่ที่ไหนเราก็ถือพกไปด้วยแล้วก็บันทึกไปด้วยอยู่ในนั้นก็จจำเป็นในหน่วยงานแล้ววันนี้ทางพระท่านบอกว่าท่านอยากจะออก สถานีวิทยุในท้องถิ่นของพวกเราสถานวีวิทยุของเราวิทยุ 107.25 อเมกะเฮิรต์ออกจากกระจายเสียงออกจากวัดป่านาคำน้อยอำเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีวันนี้เป็นวันจันทร์ที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2 5งพ เป็นวันพระวันนี้ขึ้น8ค่ำเดือนสาแล้วก็พระท่านจะทดลองทดสอบดูว่าวันที่22วันมาฆบูชาเป็นวันทำบุญทบุญรวมญาติในวัดของเราท่านอยากจะทดสอบทดลองดูว่าเครื่องวิทยุของเราเนี่ยจะใช้ได้ไหม เพราะว่าจากตรงนี้ไปจากที่สลาใหญ่ข้างนอกไปถึงสถานีเกือบสองกิโลสายผ่านดินอาจจะมีกระอกกระแตพวกสัตว์สาลาสิงบางที่อาจจะมีเล็งอหอยหวนสายขาดหรือเปล่าท่านก็เลยอยากจะทดสอบทดลองดูหลวงพ่อเองคอออนุมัติ เพราะอ า, อาจจะได้ใช้สวดมนต์เย็นของวันที่22ที่พวกเราจะทําบุญอุทิศส่วนกุศลหรืออุทิศทาบุญรวมญาติตอนเย็นของวันที่21พวกเราคงจะมาไหว้พระสวดมนต์อยู่ที่สลาหลังนี้แล้วก็วันที่22เช้าวพวกเราจะได้ทําบุญอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกรคูณของวัด ป่านาคพน้อยเพราะนั้นการศัทธา ญ, ญาติโยมหมู่ใดกลุ่มใดก็าตามได้รับรู้รับทราบที่จะทำบุญมาร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุติุต่อภูมิอุปกรณอย่างพวกเราท่านพวกเราท่านทั้งหลายเกิดมาบริวาอยู่มาหลายปียังไม่เคยทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้คุณพ่อคุณแม่ของตนเองเรือบวงสานาญาตของตนเอง ก็ได้มารวมกันมาร่วมกันทำบุญวันที่22ก็ได้เนอะเพราะว่าเราประกาศการทำบุญร่วมกันอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปการะคุณแต่ในวัดของเราขอเน้นผู้มอีอุปการะคุณของวัดตั้งแต่สร้างวัดมาตั้งแต่ปีส3จนถึงปีห9เเป็นเวลาหลายปี ผู้ที่มาร่วมสร้างวัดอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวผู้ลงทุนนะทัพย์ก็มีผู้กําลังใช้กําลังกายโดยเฉพาะชาวบ้านของพวกเรามาดายา้ามาทําความสะอาดทําเดินจงกรมของอพระทําถนนหนทางช่วยพระสร้างปลูกบุตรวิหารอะไรมีมากมายที่ใช้กําลังกายก็ไม่ได้คิดคุณ ค่าแล้วก็ผู้ที่ให้ทุนทรัพย์ก็มีมากเก่งเหมือนกันแล้วกัผู้ที่วางแปนวางแผนใช้ปัญญาในการวางแผนแผนผังของวัดก็มีมากอีกเพราะท่านท่านเหล่านั้นก็ต่างก็โรงโรยไปตามอายุสังขารเกิดแก่เจ็บตายแต่พวกเราที่อยู่เบื้องหลังได้รับความสะดวกสบายจาก ผลงานจากทุนทรัพย์จากแรงงานหรือจากสติปัญญาของท่านเหล่านั้นพวกเราที่อยู่เบื้องหลังอย่างมีชีวิตอยู่ก็ควรจะทําบุญอุทิศส่วนกุศลปีหนึ่งน่าจะมีสักครั้งหนึ่งทําบุญอุทิศส่วนกุศลดวงวิญญาณท่านเหล่านั้นตกทุกข์แต่ ย, ยากอย่างไรสิ่งสติจุนทินใดที่ใดที่จะมารับส่วนบุญส่วนกุศลจากพวกเราได้ก็ขอ เชิญมารับส่วนบุญส่วนกุศลท่านผู้ใดมีทุกข์ก็ให้พ้นจากทุกข์ถ้าท่านมีความสุขอยู่ก็ให้มีความสุขยิงๆขึ้นไปจนดวงตาของท่านทั้งหลายเห็นธรรมหมดกิเลสในที่สุดนะอันนี้ก็คือพวกเราจะได้ทำบุญในวันเดือนวันเดือนนี้แหละ ว, วันที่22อวันนี้ก็เป็นวันที่15แล้วเนี่ย ไม่กี่วันข้างหน้านะทุกหลานคณะศรัทธาญาติโยมถ้าใครได้ยินแล้วก็จะมาร่วมทําบุญก็ได้จะมาตั้งโรงทานก็ได้ก็ส่วนพระสงฆ์กอท่านก็นิมนต์หลวงพ่อก็บอกให้พระสงฆ์นิมนต์ครูบาอาจารย์ผู้ที่องค์ไหนองค์ไหนที่จะมาได้พระเนรพระน้องหนุ่งของหลวงพ่อลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อนะที่ออกจากวัดนี้ไป องไหนที่จะมาร่วมกันก็นิมนต์จากนั้นพวกเราก็จะได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลอันนี้ก็คือการทำบุญวันที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559ปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งมีวันเดียวเท่านี้ แล้วก็เป็นวันมาฆบูชาด้วยต่ต่อไปทุกปีหลวงพ่อก็คงจะเอาวันมาฆบูชานั่นแหละเพราะเป็นวันหยุดอยู่แล้วอ่เป็นวันหยุดขราชการทุกหมกู่เหล่าก็หยุดจากขราชการแล้วก็เป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาด้วยอ่เป็นวันที่พระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายาประกาศ กฎกติกาปลกครองสงกฎรัฐธรรมนูญปลกปลกครองสง เ, เมื่อ2559หายหเปีให้หลังแต่พวกเราก็าไดม า, ม, มาร่วมมารวมกันทาบุญแต่คนจะมามากไหมทุกปีที่ผ่านมาก็มีมากอยู่นะแต่ว่าปีนี้เศรษฐกิจอย่างนี้พวกเรากา็รับได้ทั้งหมดนะถ้าไม่มีใครมาก มีแต่พระในวัดของเราเราก็จะทำบุญถ้ามีองค์ไหนมาเราก็ทำบุญแต่ถึงยังไงเราประกาศทำบุญอยู่แล้วเนี่ยเพราะนั้นไงพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมทูกหลานทุกคนนะที่จะยินเสียงของหลวงพ่อเนะก็เชิญมาได้ไม่มีบัตรเชิญนะมีแต่เชิญแบบเนี่ยบอกเก่าเล่าสิบกันถ้าใครได้ยินแล้วก็มา ให้สังสมบุญกุศลหลวงพ่อมีแต่แนะนำบอกกล่าวแนะนำบุญกุศลแต่หลวงพ่อก็ยังบอกว่าจะตุกปัจจัยในการทำบุญในคราวนี้ครั้งนี้ถ้าจะมากน้อยอย่างไรพวกเราก็จะรวมกันหลวงพ่อมีความตั้งใจว่าจะมอบให้เป็นเพื่อสร้างเจดียพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตามหาบัวที่ผงอที่หลวงพ่อรักเคารพ บุญกุศลคือดวงวิญญาณทุกดวงวิญญาณคงจะเลื่อมใสศรัทธาในองค์หลวงตาเหมือนกันในเมื่อได้ทำบุญจ ะ, จ ะ, จะตังจ ะ, จะตุปปัจจัยมากน้อยพวกเราก็คงจะรวบรวมกันเอาไปสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาทั้งหมดนั่นแหละพอวัาหลวงพ่อได้รับปากประวัลนาตัวไว้แล้วว่าจะหาทุน เพื่อสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงตา50าล้านบาทนะหลวงพ่อก็ได้พูดได้กล่าวพวกเราท่านทั้งหลายก็ได้ยินได้ฟังแต่ก็พยายามเก็บหอมรอมริบไปทีละน้อยละน้อยไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดใครผู้หนึ่งหนักอกหนักใจที่หลวงพอ่อได้พูดได้กล่าวไปหลวงพ่อพยายามนั่นแหละได้เท่าไหร่เอารวบรวมเข้าไปเก็บไว้ในบัญชีจะได้สร้างไหมหลวงพอ่ออันนั้นเรื่องของอนาคตนะ ได้ยินคนหลายกลุ่มหลายหมู่หลายคณะอยู่อยากจะเห็นพิพิธภัณฑ์ขึ้นที่วัดป่าบ้านตาดเพราะเงินทุนของพวกเราก็ได้ใส่ลงไปแล้วเป็นเงินทั้ง400กว่า478ล้านอย่างที่หลวงพ่อได้พูดที่วัดป่าบ้านตาดเมื่อวันที่30มกราคมที่ผ่านมาพระทัดพระท่านเอายอดมาให้ไม่ใช่หลวงพ่อมัวเมีย ไปจับยอดมาไม่ได้พระท่านพิมพมาให้หลวงพอ่อท่านตรวจเช็คมาแล้วนะจตุปัจจัยจำนวนนี้มีเท่านี้นะหลวงพ่อก็ได้ประกาศพอหลวงพ่อบอกว่าจตุปัจจัยไม่ใช่ของใครไม่ใช่ของวัดใดไม่ใช่ของวัดป่าบ้านตาดเป็นจตุปัจจัยที่พี่น้องประชาชนเพื่อร่วมสมทบอยากจะเห็นพิพิธภัณฑ์ ทำมเจดีขององค์หลวงตาขึ้นที่วัดป่าบ้านตาแต่บางคนก็บอกเอาก็มีแล้วเนี่ยที่วัดป่าบ้านตาก็สร้างคนขึ้นแล้วหลวงปู่ลีสร้างอันนั้นหลวงปู่ลีสร้างพิพิธภัณฑ์ของหลวงตาแบบเรียบง่ายท่านบูชาท่านสร้างบูชาพระคุณหลวงตาอันนั้นคือราชดอนสร้างแต่หลวงสร้างจะมีอีกหลวงก็คือทุนกระหม่อมฟ้าหญิง มหาวิทยาลัยศิลปกรหลวงหลวงกราดให้พวกเราแยกให้ออกหลวงคืออะไรราชคืออะไรถ้าแยกกันไม่ออกาหลวงกับราชยังไม่รู้จักก็ไม่รู้จะพูดยังไงให้ชัดเจนกว่า น, นี้อีกหลวงก็คือทางหลวงลูกสาวทุกองหลวงตาจะเป็นผู้นําในการข่อสร้างอันนั้นหลวงปู่เลลูกศิษย์ของหลวงตานําในการข่อสร้าง แต่แนวเดียวกันไหมท่านศึกษาในรายละเอียดลึกลงไปละคนละแนวกันออแต่ของหลวงปู่ลีสร้างแบบพิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่มั่นถ้าไปใครไปเห็นหลวงปู่มั่นก็อย่างนั้นแหละอย่างไงก็อย่างนั้นแต่ที่จะสร้างขึ้นมาใหมน่นี่ถ้าใครไปเห็นลพ้พิพิธภัณฑ์พระนาเรศวรมหาราชที่จังหวัดสุพรรณเออเป็นลักษณะลักษณะใดที่จะทางหลวงจะสร้างจะลักษณะอย่างนั้น ลักษณะที่พระนาเลส์สวนมหาราชประกาศสงครามศึกสงครามมีประวัติของท่านเป็นมาอย่างไงเป็นมาอย่างไงอยู่ในนั้นถ้าพวกเราได้ไปเห็นตัวนั้นแล้วนั่นแหละจะรู้ได้ว่าพิพิธภัณฑ์เนี่ยต่างกันอย่างไรแล้วก็พร้อมกันหลวงตาไปกรุงเทพที่ไรไปพักที่สวนแสงแสงธรรมที่ไร ห, หลวงตาท่านจะปีกตัวไป ศึกษาไปอ่านพิพิธภัณฑ์พ น, พนานะเลสวนมหาราชเกือบทุกครั้งท้ามีเวล า, าถ้านั่นก็ให้ถามคนในกรุงเทพผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่จนตั้งเยอะแยะไปจริงไหมแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้ไปกับท่านหรอกแต่หลวงพ่อได้ทราบข่าวใครว่ า, าวท่านสนใจในประวัติผู้ที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติ นี่แหละอันนี้เราก็คงจะเชิดชูบูชานำแนวนั่นละที่องค์หลวงตาช่วยเหลือประเทศชาติบ้านเมืองอย่างไรหาได้ที่ไหนหาทองคำเข้าคลังหลวงตั้งส3บสตันกว่าเงินส0ล้านกว่าดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินไทยคิดเป็นเงินไทยออกมาแล้วเป็นเท่าไหร่มากมายทีเดียวคนคนหนึ่ง ในยุคปัจจุบันโพดได้เลยว่าไม่มีใ ค, ใครสามารถที่จะทำได้เหมือนองค์หลวงตาเพราะฉะนั้นพวกเราจึงอยจะทําพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาพระเจดีย์ขึ้นมาเพื่อเชิดชูบูชาวัดป่าบ้านตาต้องใหญ่กว่าอย่างที่หลวงพ่อประกาศว่าวัดป่าบ้านตาต้องสร้างให้ใหญ่กว่าเพราะบ้านตาก็เป็นบ้านพ่อเป็นบ้านเป็นวัดของท่านองค์หลวงตา วัดลูกศิษย์ลูกหาน่จะใหญ่กว่าวัดหลวงตาไม่น่าจะถูกหลวงพ่อเปรียบเทียบกับเหมือนกับสำนักงานใหญ่จะเป็นแบงค์ไหนก็ตามแบงค์กรุงไทยเกษตรกรไทยไทยพาณิชย์ไท ย, ไ ท, ยทหารไทยแบงค์ชาติก็ตามถ้าอยู่ในกรุงเทพนะ่ก็ต้องใหญ่กว่าวัดใหญ่กว่าสาขาไม่ใช่เหร อ, อ, อวัดของหลวงตาจะจะเล็กกว่าวัดสาขาอามันไม่น่าจะถูกต้อง วัดหลวงตาต้องสง่างามโออายอมรับกันทั่วโลกมันจึงจะถูกนะแต่ลูกศิษย์องค์ไหนจะทำก็ทำไปแล้วแต่วัดหลวงตาเนี่ยต้องใหญ่กว่าต้องเหนือกว่าวัดลูกศิษย์ทั้งหลายถ้าว่าถ้าวัดหลวงตาน้อยกว่าเล็กกว่าแปลว่าขม่มข่มวัดข่มวัดหลวงตาลูกศิษย์ข่มวัดหลวงตาไม่น่าจะถูกต้องนะลูกด่าน อ่าหลวงพ่อพูดชี้ประเด็นให้พวกเราสิทธิ์ญาณวิสิทธิ์ทั้งหลายได้ยินได้ฟังชี้ประเด็นให้ดูแต่ตรงตามีจุดประสงค์อะไรพิพิธภัณฑ์ของท่านเรากคิดว่าถึงท่านจะไม่พูดเอง เ, ออเมื่อสร้างพิพิธภัณฑ์ของเรานะสร้างอย่างพระนเรศวรมหาราชนี่นะให้เรานะท่านก็ไม่ได้พูดอย่า ง, งานั้นแต่วิธีการด้วยวิธีกรรมหรือความสนใจของท่านท่านไปดูบ่อย อ, อ, อันนี้ถามได้จากคณะจตหายาติโจมสวนแสงธรรมที่ติดตามขององค์ที่ติดตามองค์หลวงตาที่หลวงพ่อพูดเนีย่ยหลวงพ่อพูดไม่ผิดก็แล้วกันนะหลวงพ่อมั่นใจหลวงพ่อจึงพูดนะอันนี้ก็คือส่วนนึงวันนั้นพวกเราเวันที่22่นี่นก็คงจะรวบรวมถามว่าผู้ใดโอ้คงจะไม่ได้ทําบุญกับองค์หลวงตามาหลวงพ่อจะเก็บหรือจะไปทําที่บ้านตาดที่ไหนก็ได้ไม่เป็นไร แต่ของเราเนี่ยเราก็น้อมที่จะถวายท่านเหมือนกันและก็พร้อมกันถ้าหากว่าไม่ได้สร้างบ้านตากหลวงพ่อทาไม่ได้สร้างบ้านตายหลวงพ่อก็คิดเหมือนกันทามันขึ้นบ้านตาดไม่ได้วัดของเราก็มีเอาอย่างคิดเหมือนกันถึงจะเล็กหรือใหญ่เราก็คิดว่าจะให้มันขึ้นที่วัดของเราอีกเหมือนกันแต่นี่เราจะน้อมไปถึงวัดบ้านตากก่อน เพราะวัดอาจเป็นบ้านพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อที่รักเคารพแต่ถ้าขึ้นธนนท์นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ปัจจัยีนจํานวนนี้จะทํายังไงหลวงพ่อก็จะต้องหมุนกลับมาที่วัดของเราพราเนื้อเนื้อที่วัดของเราถึงพันสามร้อยห้าสิบกว่าไร่มารวมตรงนี้เข้าไปอีกยี่สิบเกือบสามสิบไรเป็นเท่าไหร่อหลายร้อยไร่เหมือนกันพันสามสี่ร้อยไร มันไม่มีที่ลงเหรอมีเลือกเอาเลยวัดของเราจะลงตรงไหนได้ทั้งนั้นสุดแท้แต่คณะกรรมการเลือกว่าตุดจุดนี้เหมาะหลวงพ่อไม่ไม่มีการคัดข้องเลยที่วัดของเรานะอันนี้ก็คือประกาศให้คณะตถาญาติโยมทั้งหลายได้ทราบแต่ที่ฟัดป่าบันตาลหลวงพ่อเป็นห่วงอยู่อย่างเดียวก็คือนะเงินสี่ร้อยกว่าร้านนะถ้่ถามว่าไม่ได้สร้างนะเงินจํานวนนั้นจะไปไว้ที่ไหน หลวงพ่อก็บอกว่านะ่ยมันจะเป็นระเบิดเวลานะไอ้พวกเราให้ดูนะเป็นระเบิดเวลานะอะไอ้อย่างที่เนะี่ยวัดสเกตอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ยินข่าวโด่งดังนะี่ยนี่แหละมันจะเป็นมันมันไม่มีมันมันไม่ไม่จบไม่สิ้นนะรีบรีบสร้างรีบรี บ, รบทซะให้มันจบจบซะ เ, เป็นสิริเป็นมงคลสําหรับพวกคณนะ ส, สัทา ย, ยาญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาของพวกเรานะี่ย เนี่ยหละวันนี้หลวงพ่อเองก็ไม่คาดคิดว่าจะได้มาพูดถึงเจดีของหลวงตาแต่หลวงพ่ออยากจะพูดเรื่องบุญกุศลปุญญานิปรโลกสมิงปฏิฐาโหนติปานิหนังบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกหนาอันนี้เมื่อพวกเราได้วันที่22เนี่ยพวกเราจะทำบุญอุทิส่วนกุศล กับผู้มีอุปกราคุณแต่พวกเราท่านทั้งหลายที่นั่งได้ยินหลวงพ่อพูดอยู่ในขณะนี้พวกเราท่านหลายควรจะคิดล่วงหน้าไว้ก่อนอีอีกสักวันหนึ่งนะข้าพเจ้าคงจะเป็นอย่างท่านเหล่านั้นหมู่พวกเพื่อนพ่อแม่ปู่ย่าตายายคงจะละสังขารคงจะตายไปเหมือนกับพวกท่านพูดง่ายๆนะแต่เราได้เตรียมตัวเตรียมใจ ได้เตรียมบุญกุศลไว้เพียงพอหรือยังอันนี้เป็นหน้าที่ของผงพวกเรานะจะต้องตรวจตราดูพวกเราอีกนะเ อ, อไม่ใช่ว่าจะทําบุญแต่อุทิศให้แต่คนอื่นแต่บุญกุศลพอมาทําบุญแล้วก็จบจากนั้นไปกิกินเหล้าเมายาหัวลาน้ําไม่น่าจะถูก เ, เราจะทําความช่วไปเพื่ออะไรเราควรจะประกอบคุณงามความดีแล้วนะเออ บัดนี้เมื่อเรารู้แล้วเราได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้พบวัดวาศาสนาได้พบได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราควรจะประกอบคุณงามความดีเราควรจะรักษาศีลไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวน า, าปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมเพื่อบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของเร า, เ, าเมื่อเราสร้างบุญสร้างกุศลเพียงพอแล้วเห็นลูกหลานของเรา มีแต่กินเหล้าเมายา เ, เราไม่ต้องฝากให้เขาทำบุญให้กับเราโอ้ลูกหลานของเราเนี่ยมองมอ ง, มองดูแล้วเนี่ยถ้าเมื่อเราตายไปแล้วเนี่ยคงจะทำก็ทำสักแต่ว่าทำไปอย่างนั้นหละแ เ, เขาคงจะไม่มีแก่จิตแก่ใจมีศรัทธาเผล อ, อ, อๆทำบุญบปแล้วก็น ค, คิดไปหาวงเหล้าคิดไปหาวงโบกวงเปี้ยมันะ คิดไปหาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเ อ, อเขาคงจะไม่อุทิศสวนกุศลให้เราหรอกบูดูแล้วเนี่ยลูกหลานเราเนี่ยลูกหลานของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เราควรจะทำเอาซะอันไหนเนี่ยควรจะทําไหวพระแล้วครับไหวพระนั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติเราทําให้ดีที่สุดในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ เ, เมื่อตายไปแล้วบอกลูกหลานเออลูกหลานเอ้ยนี่นะเงินอยู่ที่นี่นะ เออตรงนั้นไม่ต้องทําบุญอุที่ให้ค่าตรงนะค่าทําเอาเพียงพอแล้วละ่ะเออพวกลูกหลานจะทกาก็ทำไปอ่างนั้นแหะทําปิดพิธีเราก็ไม่มุ่งหวังจากเขาไปอีกเพราะเรามองดูเขาแล้วมองดูลูกดูหลานแล้วเออคงไม่มีศรัทธาที่จะมีมีแก่จิตแก่ใจที่จะทําให้กับเราเพราะฉะนั้นให้พวกเราทัานทั้งหลายต้องมองมองดูตัวเองมองดูสิ่งรอบข้างรอบด้านของเราอย่าเราจะไปพึ่งพาอาศัย เมื่อเราตายไปแล้วจกให้ลูกหลานทําบุญเอมีหมอร้องหมอรําเออมันล้วนแล้วแต่เป็นบาปอากุศลทั้งนั้นแหละที่เขาทําขึ้นมาอมันไม่ใช่บุญกุศลในหลักของพระพุทธศาสนาไม่ใช่หลักบุญกุศลของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านมาเด้นแนะนําบอกกล่าวสอนอย่างนั้นการทําบุญการทําบุญทำทุกตัวยังไงสํารวมกายวาจาใจ สัมรวมกายวาจาเนะี่ยคือศินรักษาศินให้เรียบร้อยสัมรวมใจคือสมาธินี่แหละเป็นบอ่อบุญเป็นบ่อกุศลเกิดมาในจิตในใจแต่ของเหล่านั้นถ้าเขาทําถูกต้องก็เป็นบุญเป็นกุศลถ้าทําไม่ถูกต้องก็เป็นบาปอกุศลอีกต่างหากก่อนที่จะบุญทําบุญเลี้ยงเหล่าเลี้ยงยาฆ่าวัวฆ่าสัตว์มาเลี้ยงคู่เลี้ยงคน นั่นแหละสัตว์เหล่านั้นล่ะของเหล่านั้นล่ะมันจะเป็นบุญเป็นกุศลได้อย่างไรแต่เป็นงานท่านนเองไม่ใช่บุญเพราะฉะนั้นเสี่งเหล่านี้เราต้องศึกษานะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังจะไปเชื่อหลวงพ่อนะให้ศึกษาดูจริงไหมที่หลวงพ่ออินพูดเนี่ยหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าจริงไหมห้ือว่าจัดงานใหญ่ๆล้มวัวลงควายฆ่าสัตว์ตัดชีวิต เอาเล่ามาเลี้ยงมากๆเป็นบุญเป็นกุศลไปศึกษาดูซิเทพหลวงพ่อได้ศึกษาเป็นส่วนในบวชมาตั้งแต่เป็นเนนจนถึงปานนี้หละหลวงพ่อมองไม่เห็นเลยสิ่งเหล่านั้นจะเป็นบุญเป็นกุศลมันจะเป็นบาปอกุศลจะมากกว่าเป็นบุญกุศลเป็นส่วนน้อยถ้าหากว่าพวกเราปฏิบัติตนให้เป็นคนดีรักษาศีลภาวนาแล้วกาการทำบุญก็ทาบุญอย่างที่หลวงพ่อพาทำนี่นะ เออเออจะตกปัจจัยมาแล้วก็เออเอ า, เอาถวายพระสงฆ์จำนวนที่เหลือเออเอาเพื่อสร้างพระเจดีเราไม่ได้ให้ใครผู้ใดใครเดือดร้อนเราไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราไม่ได้เลี้ยงเลี้ยงของมืนเมาเออมีแต่ประกาศเออให้จิตใจเป็นกุศลเนอคณะัทาญาติโยมไหวพระสวดมนต์เออแล้วก็น้อมนำถวายจะตกปัจจัยอุทิศส่วนกุศลเมื่อเราทาบุญเสร็จเรียบร้อยมากน้อย ตามอัธยาศัยตามความเหมาะสมตามอัตภาพตามการเป็นอยู่ของแต่ละคนไม่ให้เดือดร้อนแบ่งกินแบ่งอยู่แบ่งทานแบ่อุทิศส่วนกุศลให้ก็อต่อผู้มีอุปกระคุณเมื่อทาเสร็จแล้วราก็อุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกรณคุณอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนี่แหละเนี่ยวุญญานิปรโลกัตจมิงปฏิทถาโหนตีปาน่หนังบุญ ย่อมเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกหน้าในเมื่อเราทำในโลกนี้โลกนี้ก็มีความร่มเย็นเป็นสุขกายสุขใจเราทำคุณงามความดีถ้าเราทำความชัว่วทุกใจนะลูกหลานนะถ้าคำชั่วให้ผลเมื่อไรก็เมือนนะั้นแหะเราทุกข์ใจ่ะ เ, เมื่อเราทำดีนละมีแต่สุขใจเมื่อไปประโลกภายภาคหน้าสุขใจเพราะนั้นควรประกอบแต่ความดี สร้างบุญสร้างกุศลขาสูจส้จิตสู่ใจในวันนี้หลวงพ่อได้พูดแนวความคิดให้มากมายหลายๆแนวความคิดตั้งแต่เริ่มการสร้างบุญตลอดถึงสร้างจะตุกปัจจัยที่ได้มาเพื่อสร้างพระเจดีแต่หลวงพอ่อของพ่อพูดทั้งนี้ทั้งนั้นนะหลวงพ่อไม่ได้พูดไปทั่วประเทศนะพูดในฐานะสิทธิ์ของหลวงพ่อเอง ถ้าผู้ใดเลื่อมใสศรัทธาเชื่อในหลวงพ่อเออออกมาหลวงพ่อจะเก็บเข้าบัญชีเพื่อร่วมกันสร้างพเจดีย์ของหลวงตาแต่ผู้ที่จะถวายวัดป่าบ้านตาดไปหย่อนตูนลงก็ได้ไม่เป็นไรหรือจะถวายครูบาอาจารย์องค์อื่นที่พวกท่านทั้งหลายรักเคารพนับถือเลื่อมใสถวายองค์ไหนกับผมถวายหลวงปู่ลีหลวงปู่บุญมีหลวงพ่อสุดใจหลวงพ่อสุธรรมแต่กับผมขอสร้างร่วมสร้างเจดีย์ พิพิธภัณฑ์เขาองค์หลวงตาเด้อเน่ยถวายองค์ไหนก็ได้เอ่ที่เราเคารพนับถือเลื่อมใสเอ้ไม่ต้องถวายหลวงพ่อแต่คณะสิทธิ์ของหลวงพ่อเนี่ยเชื่อในหลวงพ่อเออเอาเอพวกผมถวายจะตุบปัจจัยเพื่อร่วมสร้างเจดีพิพิธภัณฑ์หลวงตาเด้อให้ผ่านหลวงพ่อหลวงพ่อะเออหลวงพ่อก็จะเก็บไว้จากนั้นเอาเข้าบัญชีไว้เตรียมไว้ เนี่ยพอหลวงพ่อก็ได้รับแล้วห้าสิล้านบาทอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนะหลวงพ่อไม่ใช่กี่อวดนะไม่ใช่กี่อวดก็ว่าจับสำหรับองค์หลวงตาแล้วในหัวใจ เ, เต็มร้อยที่จะเชิดชูบูชาพระคุณองค์หลวงตานะอย่างเมื่อวานวานบันก่อนรถไปทำํำไปได้หญ้าออกจากก้นสระน้ําำ ไปเห็นโอ้สะลงตาน้ำที่ไหลทะลักออกมาเนี่ยท่อน้ํำแตกกระจุยกระจายพระก็ไม่ไปดูลงพ่อไปเห็นนะต๊ะโต๊ะตตายหลวงพ่อไม่จะบอกทุกปีให้ไปดูหน้าอบางทีมันอาจจะท่อหักท่อแตกอบางทีคูสะมันจะขาดนะเอะพอไปเห็นหลวงพ่อเดินตุวมเตี่ยมไปเห็นโอ้ตาย พอไปเห็นแล้วเลยสั่งให้พระรื้อใหม่ให้ทําเป็นเพราะเหตุ น, นี้เองกับมัง้งฝนทั้งสามปีเนี่ยฝนไม่ดีเนี่ยมันกลัวคันสะหลงพ่อจะขาดนะเออถ้ามันฝนดีจนะขาดแน่ๆเลยว่ากันเถอะเแปลว่ารุสะน้ําของโรงตาเนี่ยแห้งว่าบเไปทันทีแล้วว่างั้นเถอะอันนี้พวกปลาพวกนกเป็ดมันยังอยู่ได้อยู่เพราะฝนฝนไม่ดีเพราะมันไม่ขาด าฝนปีนี้ดีนะขาดแน่ๆเพราะนั้นหลวงพ่อจึงให้พระท่านไปจัดการให้ทำนะเอาแป็โคทาเลยนะทำให้ดีเลยราคาเท่าไหร่คงจะหลายเงินพอสมควรอยู่ทำให้ดีปีนี้ถ้าทำสระน้าของหลวงพ่อดีแล้วคิดว่าฝนปีห้าเก้าต้องดีแน่ๆ น, นะลูกหลานนะเพราะเหตุไรเพราะว่าฝนสามปีมันกลัวกลัว กลัวกลัวคันคูลงลงพ่อขาดไหยเออกลัวคันคูหลวงตาขาดน้ําก็เลยฝนก็เลยไม่ดีเลยเอะไรนะเ อ, อตกพ่อมาหล่อมมาแล้วเลยสามปีเลยเแต่ปีนี้หลวงหลวงพ่อทําคูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเ อ, อฝนคงจะดีแนละ้วลูกหลานนะแต่จะจะพูดเล่าให้ฟังอีกพอหลวงพ่อเดินไปไปเห็นรอยหมูบงังรอยแก้งบงัง อ, อที่ไปดูป่าเนะไป เ, เห็นหมูขึ้นมาแล้ว เห็บจะไม่กัดหลวงพ่อบอ๊อหลวงพ่อก็กลัวเลยกลัวเห็บกลัวงานเถอะพ่อหมูกับเห็บมันอยู่ด้วยกันเลยแต่เนี้หลวงพ่อก็มุดป่าไปเรื่อยเน่ยไปดูไปดูปดเออพอไปเสร็จแล้วก็พ่อกลางคืนมาฝันไอ้เนด้ย่าเนี่หลวงพ่อเนี่ฝันยากเลยนะฝันว่าเห็บกัดในระหว่างเท้าเออในระหว่างเท้านิ้วนิ้วที่สองเนี่ยแหละวันนั้นไปอยู่ในระหว่างเท้าเป็น เห็บสีดําเอสีดําเหมือนกับเห็บก็เขเรียกเห็บอะไรเอขนาดหัวไม่ไม้ขีดเนี่ยนะโอเห็บเข็บกัดเราตัวนี้ยวะพ่อเราเดิน เ, เดินเอดูป่าเมื่อวานเนี่ยวะเห็บมันกัดนิ้วเท้าตัวเนี้ยวะในระหว่างนิ้วเท้าตัวเนี้ยวะเราก็เอาออกมามา็ได้จากนั้นหลวงพ่อก็ระวังอีกเอ๊ะมันจะกัดจริงจริงมอเห็บเนี่ยวะต้องค็ดอยู่เหมือนกันน่ะ เวลาอาบน้ำที่ไรก็บลูบหน้าลูบหลังลูบไปหมดเหมือนกันนะคือให้ทั่วเพื่อจะให้เจอเห็บแต่เมื่อเช้าเนะี่ยเจอจริงๆริงนะลูกหลานนะมันกัดที่ขาพับป่านเลยโอ้พอพอถอดรองเท้าทนะ่านอ่ะมือไปต้องก้นเห็บถึงปัป๊บโอ้ตายเห็บจริงๆเลยนะวะพอเปิดพอไปดูโอ้ที่ไหนได้เท่ากันกับหัวไม่ขีดจริงๆตัวสีดําจริงจริงเหมือนกันนะ หลวงพ่อก็เลย ถ, ถกออกมาเลือดอาบเลยสิเลือดโอ้หมดไปหลายหยดเหมือนกันนะมันกินหลายวันสีดำจากนั้นเลยเอายาใส่เอาพวกยาหมองยาฟ้าทลายโจรใส่เข้าไปนี่แหละหลวงพ่อแล้วฝั น, นแต่ฝันอยู่แต่มันไม่แม่นเหมือนกันเถะตามไม่จริงมันน่าจะกัด นิ้วเท้ามันไปกัดขาพับปุณน่ะเพราะนั้นจะไปหาเชื่อมันฝันฝันฝินฝินเนี่ยนะอพวกเราจะไปหาเชื่อในเชื่อฝันนะเออขนาดฉันว่ามันจะกัดนิ้วเท้ามันไปหากัดขาพับปุ่นะออขนาดเออมันฝันกับตัวเองแท้ๆอย่างฝันไม่แม่นเหมือนกันเพราะนั้นพวกเราจะไปหาเชื่อหัวเชื่อฝันเพนั้นฝันนั้นคนนี้ฝันนี่มันก็นอนมากมันก็ฝันมากเลแต่หลวงพ่อนี่ พอฟีตกกลางวอสหมดเว้ยเราผ่านเราเดินผ่านป่าเนี่อทางคลองหมูป่าไปเนี่ยหมูป่าเห็นรอยมันมันจะไม่มีเห็บเห็บจะไม่กัดเราบอยัางคิดอยู่ว่างั้นนะเพราะกลางคืนมากกวฟันฟันว่าเห็บกัดในหลัางงามนิ้วนิ้วเท้าทนงะันว่าทางซ้ายมืออีต่างหากนะฝันว่าทางซ้ายมันไปมันกัดนะแต่นี่มันขาเห็บกัดกักั ด, กดทาง ขาพับค้างซ้ายอยีกเหมือนกันนะแต่ก็แม่นอยู่แนวเด่งว่างันเดี๋ยวจูมกัดทางซ้ายนะเอ่อมือวัดมือมือคือมื อ, มอช้าเนะี่ยเอาออกโอ้ตัวบักใหญ่เลยเยเท่ากับหัวไม้ไมขีดกนี่แหละดูกห ล, กลานเนยเอาต่อเนี่ยไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรนําบัตินี่นะหลวงพ่อพูดให้ฟังหลายอย่างแล้วเกิดวันนี้ว่า